ปรทุกเช้าวันนี้เราก็พบกันนะคะเป็นวันพฤหัสบดีหลังสัปดาห์ที่เราได้หยุดหลายวันนะคะตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์บางคนที่เป็นข้าราชการนีห้หยุดถึงวันจันทร์วันหยุดชดเชยนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศ ก, กาลแห่งเรียกว่าวันแม่แห่งชาติหลายๆท่านก็ทําความดีให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราหลายๆคนพูดถึงพระคุณท่านนะคะ แล้วก็ตอบแทนคุณท่านด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นหลายๆคนอบอุ่นปลื้มปิติต่างๆนะคะดิฉันก็เหมือนกันค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปดูแลคุณแม่นะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่สบายมากค่งก็ทำให้คิดนะคะว่ามาชีวิตของคนเรานั้นสั้นนักนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ทำความดีอะไรหรือว่าทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็เรรี แก้ตัวกลับใจใหม่นะคะก่อนที่เวลานั้นจะฆ่าชีวิตของเราไปนะคะจนที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อีกแล้วหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ทําความดีอะไรก็หรือว่าผิดพลาดอะไรไปก็รีบแก้ตัวใหม่ยังไม่สายเพราะว่าชีวิตของเรานั้นก็สัดลงไปทุกขณะที่เวลาเดินไปนะคะทุกวินาทีเลยนะคะในช่วงเวลาของรายการสวนอักษร มีดิฉันอัญชีสาเลขิตที่รุ่งเรืองนะคะทําหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหนึ่งชั่วโมงเต็มๆตรงนี้นะคะมีหนังสือจะมาอ่านให้ได้ฟังนะคะสามเล่มด้วยกันเล่มแรกนะคะจะเรียกว่าสามเล่มหรือเปล่าก็เป็นสองเล่มใหญ่ๆแล้วก็เล่มเล็กๆอีกสองเล่ม น, นะคะเล่มแรกก็คือประวัติและ ง, งานของท่านอาจารย์สุชีปัญญุภาพแล้วก็เล่มที่สองใต้ร่มการสาวพัทค่ะ ก็เป็นหนังสือดีๆที่เราหยิบยกมาอ่านให้ฟังในช่วงเวลาของรายการสอนอักษรซึ่งเป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับผู้ฟังนําหนังสือดีๆมาอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้อ่านหนังสือเลยยิ่งตื่นเช้าๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีภารกิจ อื่นที่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นคงไม่ตื่นเช้าแน่นอนเวลาช่วงตีสี่ถึงีห้าเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่กำลังหลับสบายอยู่บนที่นอนนะคะถ้าเกิดตื่นในช่วงนี้ต้องมีภารกิจที่ต้องทำแน่นอนนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะทางสถานีวิทยุอสมทเอมหนึ่งร้อยจุดห้ามฮแห่งนี้ค่ะมาที่หนังสือเล่มแรกนะคะประวัติแลกงานของท่านอาจารย์สุชีปญญานุภาพเป็นหนังสือ ที่มูลนิธิมหมามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีปัญญาุภาพที่เมนวัดทศรินทาวาสเมื่อวันอาทิต์ที่27สิงหาคม2543นะคะพิมพ์แจกในงานนั้นซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาท่านได้ทาคุณงามความดีให้แก่พระพุทธศาสนาไว้มากมาย เหลือคณะนับค่ะแล้วก็ผลงานของท่านชีวประวัติของท่านเป็นที่น่าศึกษา ย, ยิ่งนักนะคะที่จะเป็นเยี่ยงอย่างของบุคคลที่อยู่รุ่นหลังเพื่อที่จะให้ท่านเป็นแบบอย่างในการที่ทำความดีต่างๆนะคะผลงานของท่านมีมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของออนวนิยายอิงหลักธรรมหรือว่าตาราต่างๆที่ท่านเขียนขึ้นนะคะ ท่านถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในการเขียนนวนิยายิงหลักธรรมที่จะให้ชาวพุทธเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นได้เข้าใจเนื้อเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นเวลาที่เราอ่านบางทีภาษา บาลีหรือพระไ ต, ตรปิฎกบางทีถ้าเกิดว่าเป็นภาษาตรงๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจมากนะหรือว่ามองภาพได้ไม่ชัดเจนนะแต่ถ้ามีเนื้อเรื่องหรือว่าตัวอย่างประกอบนะคะก็ทําให้เราได้ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเราอ่านกันถึงบทที่ชื่อว่าเดี๋ยวฉันขอพลิกไปนิดนึงนะคะเป็นบทบท ที่สองค่ะนวนิยาอิงหลักธรรมบทที่สองในในบทใหญ่เนียคะจะมีบทใหญ่ผลงานทางด้านวรรณกรรมค่ะวันนี้จะเริ่มต้นที่เรื่องอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของท่านอาจารย์สุชีพนะคะ ปัญญานุภาพได้เขียนคำนำไว้ในหนังสือเรื่องอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกว่าหนังสือเรื่องนี้นับว่าเป็นนวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่ใช้ฉากในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเกือบตลอดเรื่องจุดมุ่งหมายสําคัญก็เพื่อจะเล่าถึงความเคลื่อนไหวและความขยายตัวแห่งพระพุทธศาสนาในตะวันตกตามข่าวจริงที่ปรากฏในนิตยสารทางพระพุทธศาสนาที่พิมพ์จําหน่ายในภาคภาษาอังกฤษ เป็นแต่ผูกเรื่องขึ้นให้มีตัวละครเป็นเด็กหนุ่มไทยกับเด็กหนุ่มอังกฤษสนทนาหาความรู้และร่วมมือกันในการรวบรวมข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานอกจากนั้นท่านอาจารย์ยังได้สรุปไว้เป็นคําชี้แจงท้ายเล่นตอนหนึ่งว่าเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเช่นนี้เป็นเรื่องแรกที่ผู้เขียนทดลองทำดูเพื่อที่จะนาข่าวความเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏในนิตยสารที่ออกในประเทศต่างๆมาเชื่อมโยงติดต่อโดยผูกเป็นนิยายขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวของริชาร์ m มอริสแม้จะเป็นชื่อและสกุลสมมุติแต่ก็มีข้อความจริงปรากฏในหนังสือข่าวทางพระพุทธศาสนาซึ่งหัวหน้าครอบครัวชาวยุโรปได้เขียนส่งไปลงเองโดยเล่าว่าเขาต้องการให้บุตรของเขามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างเต็มที่ จึงพยายามซื้อนังสือตำราศาสนาต่า ง, างๆให้ลูกชายอ่านเมื่อได้อ่านเทียบเคียงกันดูหลายศาสนาและใช้เวลานา น, านพอสมควรก็ตัดสินใจนับถือพระพุทธศาสนาทั้งยังชักจูงมารดาบิดาให้พลอยนับถือไปด้วยบิดาของเด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นผู้เขียนเล่าเหตุการณ์นี้ท่านอาจารย์ได้เขียนต่อไปอีกว่าด้วยเหตุนี้ท่านผู้อ่านจะอ่าน ให้เป็นนวนิยายหรือเรื่องจริงก็อาจอ่านได้สองประการเพียงแต่ทราบว่าตรงไหนเป็นเรื่องสมมุติตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงซึ่งอาจเดาได้เองเป็นส่วนมากผู้เขียนเห็นประโยชน์ที่หนังสือเรื่องนี้จะช่วยให้ชาวไทยเราได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างกว้างขวางว่าพระพุทธศาสนาที่เรานับถือนั้นได้แพร่หลายอยู่ในนาน า, นาประเทศโดยเฉพาะในยุโรปอย่างน่าชื่นชมเพียงไร แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมว่าภายในประเทศไทยเรานั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงมีส่วนอุปถัมภ์การพระพุทธศาสนาอย่างสําคัญจึงได้กล่าวถึงพระราชาจริยาในการทรงทํำนุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างย่อยๆและเนื่องจากขนาดของเรื่องไม่ใหญ่เกินไปจึงเลือกกล่าวเฉพาะพระมหากษัตริย์ในพระบรมจักรีวงทั้งเก้ารัชกาล ความจรงิงพระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงรา น, นาสุขโขทยัยตลอดจนกรุงสีอายุธยาก็ล้วนได้ทรงมีส่วนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งแม้จะไม่ได้กล่าวไว้ในเล่มนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนมองไม่เห็นความสำคัญแห่งพระราชาจารยาในพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นๆข้อความบางตอนที่น่าสนใจก็เป็นหัวข้อย่อยนะคะเขาก็จะคัด ตัดตอนมายกตัวอย่างเฉพาะบางตอนค่ะในเรื่องพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกค่ะการทําสมาธิไม่ว่าจะแบบไหนแท้จริงก็คือการหางานให้ใจทําแต่เพียงอย่างเดียวหน้าที่เดียวไม่วุ่นวายสับสนเหมือนในยามปกติเมื่อใจทํางานเพียงอย่างเดียวก็สงบทีละน้อยจนถึงสงบมาก จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เพ่งอยู่นั้นอย่างมีสติกำกับในยามปกติใจทำหน้าที่รับรู้เรื่องราวและคิดอ่านอะไรต่ออะไรมากมายจะนับไม่ถ้วนอย่างเหมือนอย่างคนที่กระโดดโลดเต้นอยู่ตลอดเวลาขณะที่กระโดดโลดเต้นอยู่นั้นมองอะไรก็ไม่เห็นชัดทำอะไรก็ไม่ได้ผลดีต่อเมื่อหัดใจให้หายกระโดดโลดเต้น หัดให้สงบระ ง, งับความสามารถในการเข้าใจเรื่องราวของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งก็จะเกิดขึ้นโดยง่ายข้อที่ดูประหนึ่งว่าจะเร้นลับมาก่อนก็กลายเป็นของที่ปรากฏเด่นชัดจนบางครั้งแทบไม่เชื่อตัวเองว่าเรื่องที่คิดไม่ออกคิดไม่เห็นมาก่อนเลยทำไมจึงกลายมาเป็นของแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาได้ง่ายๆเช่นนี้ ถ้าจะอุปมาก็เสมือนหนึ่งบุคคลผู้เคยมีอำนาจวาสนาซึ่งครั้งหนึ่งไม่ว่าจะชอบอะไรคนทั้งหลายก็พากันชอบและตื่นเต้นในสิ่งนั้นไปตามแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงของธรรมดาเหลือเกินในสายตาของคนทั้งหลายหรือเพียงแต่ท่านผู้มีอำนาจวาสนานั้นมองกวาดสายตาไปทางไหนก็มีผู้คนเป็นอันมากคอยยิ้มแย้มต้อนรับ พยายามเพื่อให้ศกสายตาเพื่อแสดงว่าตนก็ได้มาต้อนรับอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ท่านผู้นั้นมีโครงกระดูกพูดไม่ได้ชอบหรือชังใครไม่ได้อีกแล้วนี่แหละคือสภาพของพระราชวังแวร์ไซด์ซึ่งสอนคนได้เหมือนพระเทศถ้าเพียงแต่ผู้นั้นจะยอมรับหลักธรรมเรื่องอนิจจังของพระพุทธศาสนามาพิจารณาเปรียบเทียบ ระหว่างอดีตกับปัจจุบันชีวิตประจำวันเหมือนหนึ่งการเดินหรือการเคลื่อนไหวพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ช่วยให้การเดินหรือการเคลื่อนไหวเป็นไปโดยสะดวกไม่ตกหลุมตกบ่อหรือชนโน่นชนนี่ถ้าแยกสองอย่างนี้ออกจากกันชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยราบรื่นพระพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่เพียงในคมภีหรือตารา ไม่ใช่อยู่เพียงในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่อยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งใครก็ตามถ้าครองชีพอย่างใช้ปัญญาใช้เหตุผลไม่ทําอะไรในทางที่ผิดเพราะโลภเพราะโกรธหรือเพราะหลงแล้วผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามก็ชื่อว่าทําถูกหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วได้ชื่อว่ามีประทีปสองทางเดินแห่งชีวิตนี่แหละจะเห็นได้ว่า เพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงเรียกร้องความเคารพนับถือและความจงรักภักดีเป็นเรื่องสำคัญแต่ทรงเน้นหนักในทางทำถูกวิธีซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลว่าสำคัญที่สุดและนี่แหละที่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นศิลปะแห่งการครองชีวิต โดยใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลใกลทําถูกก็ใช้ได้ทั้งนั้นสแสดงให้เห็นว่าท่านอาจารย์ใช้จินตนาการในการสร้างวรรณกรรมอย่างแนบเนียนเพื่อเป็นทางเดินของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้คนสมัยใหม่เข้าใจได้โดยง่ายโดยมีกลวิธีในการเขียนหลายแบบอย่างทั้งจินตะนิยายนวนิยายและเรื่องสั้น คุณฟังคะจบบทที่สองแล้วนะคะที่เป็นตัวอย่างของผลงานทางด้านนวนิยายอิงหลักธรรมของท่านอาจารย์นะคะซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างมาหลายเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนบทที่สามนั้นก็จะเป็นเรื่องสั้นลีลาชีวิตค่ะก็เป็นหนังสือเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์เขียนขึ้นนะคะส่วนบทที่สี่เป็นร้อยกรองของท่านอาจารย์ดิฉันไม่ทราบจะอ่านร้อยกรอง ได้หรือเปล่านะคะก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะก็ใกล้จะจบเล่ม น, นี้แล้วนะคะประวัติและงานของท่านอาจารย์สุชีพบุญญาณุภาพค่ะดูเวลาแล้วเราคงยังไม่ได้พักครึ่งเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกนะคะเราก็จะต่อกันบทที่สามเลยค่ะเรื่องสั้นลีลาชีวิต ลีลาชีวิตเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ท่านอาจารย์เขียนโดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏในคํานําของเรื่องเพื่อหเห็นชีวิตของคนทั้งรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่ทั้งทางโลกทางธรรมตามที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายแท้คติธรรมเท่าที่จะทําได้เรื่องลีลาชีวิตท่านวางโครงเรื่องแบบสมัยใหม่ตัวบุคคลชื่อบุคคลในเรื่องก็เป็นชื่อสมัยใหม่รวมเรื่องสั้นทั้งหมดสามสิบเรื่อง ที่ท่านเขียนในโอกาสต่างๆลงในหนังสือนิตยสารหลายฉบับได้นำมาพิมพ์รวมเล่มในภายหลังขอยกเรื่องรางวัลที่หนึ่งเรื่องที่ยี่สิบเก้าในหนังสือดีลาชีวิตมาเสนอเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ไม่ใจความสำคัญว่าสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งประกาศชักชวนประชาชนทั่วไปให้ส่งข้อเขียนเรื่องถ้าข้าพเจ้าจะเปิดเผยความปรารถนาหรือคาอธิษฐาน ไปที่สมาคมฉบับของใครดีที่สุดจะได้รับรางวัลรางวัล น, นั้นแทนที่จะเป็นเงินเป็นทองหรือของที่ระลึกกลับเป็นว่าข้อเขียนของผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ในวรารสารของสมาคมที่ออกเป็นประจำและจัดพิมพ์เป็นใบปลิวหรือจุลสารแจกประชาชนรางวัล น, นี้จึงมีส่วนช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั่วไปข้อกําหนดนั้นมีว่า ให้เขียนเป็นข้อๆไม่เกินสิบข้อจะมีเหตุผลประกอบความปรารถนาแต่ละข้อหรือจะอธิบายคลุมทั้งหมดก็ได้แต่คําอธิบายทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องสั้นในรีลาชีวิตที่ท่านอาจารย์เขียนนะคะเป็นเรื่องรางวัลที่หนึ่งคะ่ะ คนที่ได้ทราบประกาศนี้พากันสนใจเห็นว่าเป็นการประกวดไม่ซ้ำแบบใครมีทีท่าว่าเป็นคำสอนไปในตัวของสมาคมแห่งนั้นโดยเป็นคำสอนแบบให้คิดเอาเองใครคิดเป็นก็ได้คำสอนมากใครคิดไม่เป็นหรือคิดไม่ออกประกาศนั้นก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกลับให้สติที่จะช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงพากันส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก มีอยู่ฉบับหนึ่งที่เขียนส่งมาเฉพาะคำแสดงความปรารถนาหรือคำอธิษฐานสิบข้อโดยไม่มีคำอธิบายโดยกล่าวว่าคำอธิษฐานเหล่านี้ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วที่แปลกก็คือเป็นคำอธิษฐานเพื่อคุณธรรมมากกว่าการขอทรัพย์สมบัติใดๆคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันตัดสินให้ข้อเขียนของผู้นั้นได้รางวัลที่หนึ่ง โดยคณะกรรมการไม่ทราบว่าเป็นของใครเพราะไม่ได้ให้ชื่อและที่อยู่กำกับไว้ด้วยข้อเขียนที่แสดงถึงความปรารถนาหรือคำอธิษฐานสิบประการนั้นมีดังต่อไปนี้หนึ่งขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนคิดได้ดีอะไรอย่างลอยๆนั่งนอนคอยแต่โชควาสนาโดยไม่ลงมือทำความดีหรือไม่เพียนพยายามสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตน ถ้าข้าพเจ้าจะได้ดีอะไรก็ขอให้ได้เพราะได้ทำความดีอย่างสมเหตุสมผลเถิด 2. ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนลืมตนดูหมิ่นเหยียดหยามใครๆซึ่งอาจด้อยกว่าในทางตาแหน่งฐานะการเงินหรือในทางวิชาความรู้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้เกียรติแก่เขาตามความเหมาะสมในการติดต่อเกี่ยวข้องกันเถิด อย่าแสดงอาการข่มขู่เยอะเย้ยใครๆด้วยประการใดๆเลยจะติดต่อเกี่ยวข้องกับใครๆก็ขอให้มีความอ่อนโยนนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยเถิดสถ้าใครพลาดพลั้งลงในการครองชีวิตหรือต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเหตุใดๆก็ตามขออย่าให้ข้าพเจ้าเหยียบย่ำซ้ำเติมคนเหล่านั้น แต่จงมีความกรุณาหาทางช่วยให้เข้าลุกขึ้นช่วยผ่อนคลายทุกข์ร้อนให้แก่เขาเท่าที่จะสามารถทำได้สี่ใครก็ตามถ้ามีความรู้ความสามารถขึ้นมาเท่าเทียมหรือเกือบเท่าเทียมข้าพเจ้าก็ดีมีความรู้ความสามารถหรือมีผลงานอันปรากฏดีเด่นสูงส่งอย่างน่านิยมยกย่องนิง่งกว่าข้าพเจ้าก็ดี ขออยาให้ข้าพเจ้ารู้สึกริษยาหรือกังวลใจในความเจริญของผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยขอให้ข้าพเจ้าพรอยินดีในความดีความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วยความจริงใจช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแก่คนเหล่านั้นอันเข้าลักษณะการมีมุทิตาจิตในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกันข้ามกับความริษยา ขออย่าให้เป็นอย่างบางคนที่เกรงนักหนาว่าคนอื่นจะดีเท่าเทียมหรือดียิ่งกว่าตนคอยหาทางพูดจาติเตียนใส่ใครให้คนทั้งหลายเห็นว่าผู้นั้นยังบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีน้ำใจสะอาดพูดส่งเสริมยกย่องผู้อื่นที่ควรยกย่องเถิดแมฟังแล้วก็อยากที่จะเป็นคาอธิษฐานของ ดิฉันก็อยากสาธิฐานเหมือนที่อาจารย์นั่นยกตัวอย่างเลยนะคะซึ่งเป็นข้อคิดด้ดีทีเดียวห้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีน้ำใจเข้มแข็งอดทนอย่าเป็นคนขี้บน่นในเมื่อมีความยากลำบากอะไรเกิดขึ้นขอให้มีกำลังใจต่อสู้กับความยากลำบากนั้นๆโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยขออย่าให้เป็นคนอ่อนแอเหลียวหาที่พึ่งเพราะไม่รู้จักทาตนให้เป็นที่พึ่งของตนเลย ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนชอบได้อภิสิทธิ์คือสิทธิเหนือคนอื่นเช่นไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ขอให้พอใจนั่งคอยตามลาดับอย่าวุ่นวายจะเข้าตรวจก่อนทั้งที่ตนไปถึงที่หลังเลยในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกใดๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดหาวิธีลัดหรือวิธีทุจริตใดๆรวมทั้งขออย่าได้วิ่งเต้นเข้าหาคนนั้นคนนี้ เพื่อให้เขาช่วยให้ได้ผลดีกว่าคนอื่นๆทั้งๆ ท, ที่ข้าพเจ้าอาจมุ่งคะแนนสู้คนอื่นไม่ได้เถิดแม้เรื่องนี้ถ้าทำได้ก็คงจะดีนะคะแต่ยากในสังคมปัจจุบันนะคะหกถ้าข้าพเจ้าทำงานในที่ใดขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือคิดเอาแต่ได้ในทางส่วนตัวเช่นทะเลทไลัยไม่ทำงานรีบเลิกงานก่อนกาหนดเวลา ขอจงมีความขยันหมั่นเพียรพอใจในการทํางานให้ได้ผลดีด้วยความตั้งใจและเต็มใจเสมือนหนึ่งทํางานให้แก่ตนเองเพื่อประโยชน์ของตอนเองฉะนั้นเถิดอันเนื่องมาแต่ความไม่คิดเอาเปรียบในข้อนี้ถ้าข้าพเจ้าเผอิญก้ําเกินข้าวของที่ทํางานไปในทางส่วนตัวได้บ้างเช่นกระดาษซองหรือเครื่องใช้ใดๆขอให้ข้าพเจ้า ะระลกอยู่เสมอว่าเป็นหนี้อยู่และพยายามใช้หนี้คืนด้วยการซื้อใช้หรือทำงานให้มากกว่าที่กำหนดเพื่อเป็นการชดเชยความก้าเกินนั้นข้อนี้รวมทั้งขอให้ข้าพเจ้าจงอยากเอารัดเอาเปรียบบ้านเมืองเช่นในเรื่องการเสียภาษีอากรถ้ารู้อยู่ว่ายัางเสียน้อยไปกว่าที่ควรหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะชดใช้แก่ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอ เมื่อมีโอกาสตอบแทนได้เมื่อไหร่ขอให้รีบตอบแทนโดยทันทีเช่นในรูปแห่งการบริจาคบำรุงโรงพยาบาลบำรุงการศึกษาหรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆแบบบริจาคให้มากกว่าที่รู้สึกว่ายังเป็นมิ่งชาติบ้านเมืองอยู่เสมอและในข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติแม้ต่อเอกชนใดๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือโกงใครเลยแม้แต่น้อย แม้จะซื้อของถ้าเขาทอนเงินเกินมาก็ขอให้ข้าพเจ้ายินดีคืนให้เขากลับไปเถิดอย่ายินดีว่ามีลาภเพราะเขาทอนเงินเกินมาให้เลยข้อเจ็ดขออย่าให้ข้าพเจ้ามัดใหญ่ไฟ่สูงอยากมีหน้ามีตาอยากมีอำนาจอยากเป็นใหญ่เป็นโตขอให้ข้าพเจ้าใฝ่สงบมีความเป็นอยู่อย่างง่ายงาย่ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการแข่งดีกับใครๆ ท่า น, นี้เพราะข้าพเจ้าพอจะเดาได้ว่าความมักใหญ่ใฝ่สูงความอยากมีหน้ามีตาความอยากมีอำนาจและอยากเป็นใหญ่เป็นโตนั้นมักเผาให้เล่าร้อนยิ่งต้องแข่งดีกับใครๆด้วยก็ยิ่งทาให้เกิดความคิดริษยาคิดให้ร้ายคู่แข่งถ้าอยู่อย่างใฝ่สงบมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆก็จะเย็นอกเย็นใจไม่ต้องนอนไกน่นาผาดถอนใจเพราะไม่สมหวัง ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ละความชนะความแพ้เสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้เถิดแต่ท่านนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อฝ่ายสงบแล้วข้าพเจ้าจะต้องอยู่อย่างเกลียดค้านไม่สร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมข้าพเจ้าทราบดีว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเกลียดค้าน งอมืองอเท้าแต่สอนให้มีความบักบันก้าวหน้าในทางที่ดีไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมและความบักบั่นก้าวหน้าดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับความทยานอยากหรือความมักใหญ่ไฟสูงใดๆคงทำงานไปตามหน้าที่ให้ดีที่สุดผลดีก็จะเกิดตามมาเอง 8. ขอให้ข้าพเจ้ามันปลูกฝังความรู้สึก มีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นและมีความกรุณาคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปูพื้นจิตใจด้วยความเมตตากรุณาดังกล่าวนี้อยู่เสมอจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามีใครเป็นศัตรูที่จะต้องคิดกำจัดตัดรอนเขาให้ถึงความพี่นาจใครไม่ดีใครทำชั่วทำผิดขอให้คิดได้กลับตัวได้เสียเถอด อย่าทำผิดทำชั่วอีกเลยถ้ายังถืนทำต่อไปก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เขาจะต้องรับผลแห่งกรรมชั่วของเขาเองเราไม่ต้องคิดแช่งชักให้เขาพินาศเขาก็จะต้องถึงความพินาศของเขาอยู่แล้วจะต้องแช่งให้ใจเราเดือดร้อนทำไมขอให้ความเมตตาคิดจะให้เป็นสุขและกรุณาคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ซึ่งข้าพเจ้าปลูกฝังขึ้นในจิตนั้น ขออย่าเป็นไปในวงแคบและวงจํากัดขอจงเป็นไปทั้งในมนุษย์และสัตว์ทุกประเภทรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยเพราะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เหล่านั้นต่างก็รักสุขเกลียดทุกขรู้จักรักตนเองปรารถนาดีต่อตนเองด้วยกันทั้งสิน้นเกขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนโกรธง่ายต่างว่าจะโกรธบ้านก็ขอให้มีสติรู้ตัวโดยเร็วกว่ากําลังโกรธ จะได้สอนใจตัวเองให้บรรเทาความโกรธลงหรือถ้าห้ามใจให้โกรธไม่ได้ก็ขออย่าให้ถึงกับคิดประทุษร้ายผู้อื่นหรือคิดอยากให้เขาถึงความพินาศซึ่งนับเป็นมโนทุจริตเลยขอจงสามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้ดเร็ ว, เ, รวเมื่อมีความไม่พอใจหรือความโกรธเกิดขึ้นเถิดและเนื่องมาจากความปรารถนาข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนถูกโกรธ ใหรู้จักให้อภัยทําใจให้ปลอดโปร่งจากการผูกอาฆาตจองเวรขอให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเดอรู้จักเปรียบเทียบกับข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าเองก็อาจทําผิดพูดผิดคิดผิดหรืออาจล่วงเกินผู้อื่นได้ทั้งโดยมีเจตนาและไม่เจตนาถ้าข้าพเจ้าเองยังทําผิดได้เมื่อผู้อื่นทําอะไรผิดพลาดล่วงเกินไปบ้าง ก็จงให้อภัยแก่เขาเสียเถิดอย่าผูกใจเจ็บหรือเก็บความรู้สึกไม่พอใจนั้นมาขังอยู่ในจิตใจให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองเลยสิขอให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและสอนใจตัวเองได้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักสร้างความเจริญแก่ตนในทางโลก และสอนให้ประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีปัญญาเข้าใจปัญหาแห่งชีวิตเพื่อจะได้ไม่ิดติดไม่ยึดถือมนจิตใจเบาสบายอันเป็นความเจริญในทางธรรมซึ่งรวมความแล้วสอนให้เข้ากับโลกได้ดีไม่เป็นภัยอันตรายแก่ใครใครแต่กลับเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแต่ก็ได้สอนไปในทางธรรมให้เข้ากับธรรมได้ดีคือให้รู้จักโลก รู้เท่าทันโลกและขัดเกล่านิสัยใจคอให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อบรรลุความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจดีทั้งทางโลกทางธรรมและปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ทั้งสองทางรวมทั้งสามารถหาความสงบใจได้เองและสามารถแนะนำชักชวนเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกให้ได้ประสบความสุขสงบได้ตามสูงเขินเถิด ตามปรารถนาหรือคําอธิษฐานรวมสิประการของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางเตือนใจหรือสั่งสอนตัวเองเพราะปรากฏว่าตัวข้าพเจ้าเองยังมีข้อบกพร่องซึ่งจะต้องว่ากล่าวตักเตือนคอยตําหนิตัวเองอยู่เสมอข้าพเจ้าจึงคิดว่าถ้าได้วางแนวสอนตัวเองขึ้นไว้เช่นนี้เมื่อประพฤติผิดพลาดก็อาจะระลึกได้หรือมีหลักเตือนตนได้ง่ายกว่า การที่จะนึกว่าข้าพเจ้าดีพร้อมแล้วหรือเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้วซึ่งนับเป็นประมาทหรือลืมตัวอย่างยิ่งหากจะมีใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตท่านผู้อ่านโดยจะเป็นญาติหรือทางสายโลหิใตใกล้ไกลก็ตามหรือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเพื่อนมิตรสหายที่อยู่ในวงการเดียวกันเช่นเพื่อนนักเรียนเพื่อนร่วมงานหรือแม้ไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นบุคคลที่มีอุปการะคุณ เช่นครูอาจารย์หรือแม้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ท่านเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีคำอธิษฐานสิทประการดังกล่าวแล้วประจําใจแม้ไม่ครบทั้งสิบข้อท่านผู้นั้นควรได้รับความรักเคารพ บ, บูชาในฐานะปูชนียบุคคลอย่างสนิทใจถ้าจะนําคําอธิษฐานสิบข้อมาวิเคราะห์ด้วยใจเป็นกลางกับชีวิตท่านอาจารย์ผุกเขียนเรื่อง ยังไม่เห็นปฏิปทาท่านในตอนใดที่ผิดไปจัดคำอธิษฐานท่านสิบข้อจึงใค่ขอเรียนว่าอันที่จริงคำอธิษฐานสิบประการนั้นท่านอาจารย์อาจจำลองมาจากลีลาชตของท่านนั่นเองก็เป็นได้ค่ะ ในบทที่สามนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจในเรื่องของลีลาชีพเรื่องสั้นของท่านอาจารย์เนี่ยลองไปหาซื้อมาเก็บไว้ดิฉันก็อ่านแล้วน่าสนใจเนี่ยลองลองดูนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาหยิบยกมาค่ะเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อบทที่สี่ร้อยกรองบทประพันธ์ของท่านนะคะก็ใกล้จะจบแล้วจากนั้นก็จะเป็นผลงานทางด้านวิชาการแล้วก็ปิดท้ายที่ รายชื่อคณะสิทธ์สองมกรานะคะที่เขียนชื่อกันเรียบเรียงหนังสือเล่ม น, นี้ชินค่ะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าประวัติและงานของท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพนะคะที่นํามาอ่านกันในรายการสวนอักษรค่ะก็ขอให้คุณงามความดีที่เราได้อ่านได้ทราบถึงประวัติของท่านอาจารย์เนี่ยนะคะส่งผลให้ท่านอาจารย์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบไหนชาติไหนนะคะ มีลูกศิษย์ลูกหาที่ประกาศเกียติคุณท่านผลบุญที่เราได้รับความรู้จากหนังสือที่ท่านแต่งขอให้ส่งเป็นกระแสาทา น, น